ก็ความในคำภีพุทธวงศ์ต่อจากครั้งที่แล้วมาขึ้นวงของพระปทุมมุตระพุทธเจ้าพระปทุมมุตระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะซึ่งใครที่อ่านเทรคถามากๆจะได้ยินชื่อพระองค์บ่อยมากเพราะว่าหมู่พระสาวกที่สร้างบารมีมาแสนกับพระสาวกเหล่านั้นจะอ้างพระปทุมมุตระพุทธเจ้าทุกองเลย ไล่ตั้งแต่พระอานนท์พระมหากัสปะพระอนุรุทธะพระราหุลเป็นต้นเนี่ยพระาหุลก็มาสร้างบารมีในเริ่มเป็นจริงเป็นจังอ่ะนะเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เกิดขึ้นในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระและพระพุทธเจ้าปทุมมุตระก็พยากร์พระองค์ ข้อความในพุทธวงศ์ต่อเนี่ยนะพระปฐุมุตระพุทธเจ้าที่สิบต่อจากสมัยของพระนารทะพุทธเจ้าเนี่ยนะแดงว่าวันเวลาผ่านไปหมดไปแล้วสี่อสงไขยนะหมดสิ้นสี่อสงไขยก็เหลืออีกแค่แสนกับเนี่ยนะถ้ากล่าวกันเป็นอสงไขยนั้นแสนกับถือว่าเล็กน้อยเนี่ยนะแล้วก็ามาเหลือแสนกับละังจาก พระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาถึงพระพุทธเจ้าประทุมุตระนี่ใช้เวลาห่างเป็นอ ส, สงไขยฝนใครที่สร้างบารมีที่จะเป็นเอตทัคคะเป็นอะไรเนี่ยถ้าในช่วงระหว่างเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่ได้เป็นเอตทัคคะและใครจะมาตั้งให้แต่ก็บอกว่าขอให้สั่งสมบุญไว้ให้เต็มเปี่ยมเถอดถึงเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าก็อาจจะได้เป็นพระพระเจกับพระพุทธเจ้า เพราะว่าผู้ที่มีบุญบารมีเต็มแล้วก็สามารถที่จะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในระหว่างได้ฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมนั้ น, นมีโอกาสที่จะเป็นสาวกถ้าไม่เป็นสาวกก็เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพราะในพระสูตรที่กล่าวถึงปุพพโยคาวจรหรือว่าพระโยคาวจรที่เคยบำเพ็ญเพียรเจริญสมถวิปัสนา ปฏิบัติตามข้ามข้สอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วนั้นอ่ะ น, นะถ้าหากว่ามีบุญจะได้ตรัสรู้ทันที น, นะถ้ามีบุญนะถ้าสั่งสมบุญไว้ดีสามารถตรัสรู้ได้ทันทีถ้าหากว่าบุญน้อยกว่านั้นก็จะตรัสรู้ในตอนมัชชิมวัยถ้าศึกษาธรรมะในวัยต้นก็สามารถตรัสรู้ในมัชชิมวัย ถ้ามัชชิมวัยตรัสรู้ไม่ได้ก็ตรัสรู้ในคราวปัชชิมวัยคือตอนอายุมากๆเนี่ยนะถ้าสังสมดีศึกษาดีปฏิบัติดีอายุมากก็พร้อมที่จะตรัสรู้ได้ถ้าตอนอายุมากอย่างนั้นก็ยังไม่ตรัสรู้อีกก็สามารถที่จะตรัสรู้ยามใกล้ใกล้จะสิ้นใจว่างั้นใกล้จะสิ้นใจใกล้จะเรียกวมรณะสมัยยามใกล้จะตายก็สามารถที่จะเห็นอริยสัจได้ มันก็น่าจะเห็นอยู่หรอกเนาะความตายเข้ามาร่ำร่อยแล้วนะทีนี้ถามว่าถ้าไม่ตรัสรู้ในยามมรณะสมัยเป็นเทพผบุตรเนี่ยนะพออาจจะต้องเปลี่ยนปฏิสนธิเปลี่ยนปฏิสนธิเพราะว่าชาติที่นะชาติก่อนไม่ได้บรรลุเพราะอาจจะปฏิสนธิด้วยทวิเหตุเป็นต้นก็ได้แั้นก็ถ้าไปปฏิสนธิเป็นติเหต์ได้อาหารสปายะ อุตส ป, ปายะอิริยาบทส ป, ปายะสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพที่ดีปัญญาเล่นวัยเหมือนเทวดาหรือที่เรียกว่าเป็นเทวดาก็สามารถตรัสรู้ได้เร็วนี่ถ้าเป็นเทวดาอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ตรัสรู้นะอาจจะมีพระอาหารหันต์องค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นในโลกหรือว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็จะมีพระอริยเจ้าไปสวรรค์ นะคือผ้าริยเจ้าที่ท่านไปเที่ยวนะเหมือนก็ว่าแวะเวียนไปท่านก็จะแสดงธรรมให้ฟังก็สามารถที่จะตรัสรู้ได้หรือไม่เทพบุตรองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ณนะที่นั้นก็แสดงธรรมเช่นเทวดาท่านใดท่านหนึ่งที่เป็นผู้สั่งสมบุญมามากกว่าทรงพระตรปิดกในอดีตชาติเทวดาท่านเหล่านั้นก็จะแสดงแสดงธรรมให้ฟังก็สามารถบรรลุได้ มันเข้ามานึกในใจนะว่าใครที่ไปสุขติไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ยิ่งไดแน่หนึ่งเพราะว่าผู้ทรงพระตรัยวิดกเนี่ยอยู่มีมากันปัญหาว่าจะฟังหรือเปล่าพันน่ะนะนไปเที่ยวสวนก็เลยเพลินเลยนะคือมันเหมือนกับว่ามีห้างอยู่ห้างหนึ่งมีที่ฟังธรรมก็เหมือนกันมีห้างด้วยมีที่ฟังธรรมด้วยมีอะไรหลายอย่างมันจะเลือกเข้าไปฟังธรรมหรือว่าจะเลือกไปดูอะไรก่อนให้มันหมดพอดีหมดเวลาชีวิตด้วยเนี่ยน ะ, ะนก็ต้องมันก็ต้องตั้งอัตตาสัมมาปฏิทิฐิให้ดีๆเนี่ยนะ เนี่ต่อไปถ้าหากว่าเราศึกษาและปฏิบัติเอาไว้ดีเนี่ยนะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแก่คนใดคนหนึ่งมาเจอกันเข้าก็ทักกันชวนกันสนทนาก็อาจจะตรัสรู้ได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นสิ้นชีวิตจุติเคลื่อนจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็สามารถที่จะตรัสรู้เป็นพระปัเจกพรพุทธเจ้าได้ถ้าไม่ตรัสรู้อย่างนั้นเนี่ยนะก็จะเกิดในสมัยเกิดเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก พระองค์แสดงธรรมก็อาจจะเป็นเทพท่านใดท่านหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งมาฟังธรรมแล้วก็ตรัสรู้ได้ง่ายถ้าไม่ตรัสรู้ตอนที่เป็นเทพก็อาจจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็อาจจะได้มีโอกาสเข้ามาบวชหรือว่าอาจจะไม่บวชหรือว่าอาจจะบรรลุเร็วเช่นกับนางวิสาขาเป็นต้นบรรลุตั้งอายุ7ขวบหรือสมมาเนนบางท่านบรรลุตั้งแต่อายุหขวบ6ขวบ7ขวบนะ่ยนะ 12บปีบ้างนะก็แล้วแต่ตามสมควรก็จะมีการตรัสรู้พันธุ์ที่สําคัญก็คือมีการสั่งสมบุญสั่งสมความรู้สั่งสมความเข้าใจสั่งสมกุศลธรรมจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยนะให้มากที่สุดซึ่งเราทั้งหลายก็เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ยามปลา ย, ลายหรือว่าช่วงปลายพระศาสนาก็ได้ มันจะรวบรวมเสเบียงหรือจะรวบรวมบาปก็ตามใจกันนะแต่ว่าอยากให้รวบรวมบาปนะก็อยากให้เอาบุญไปให้เต็มที่เพราะบุญกับบาปมันอยู่ใกล้กันเนะีเจตนาเว้นจากการฆ่ากับเจตนาฆ่ามันก็อยู่ใกล้กันถ้าแยกไม่เป็นก็ไม่รู้ว่ารักษาอันไหนอันไหนะพอไปอ่านหนังสือเรื่องฆ่าฆ่าก็เห็นด้วยเห็นเขามีสงครามก็เห็นด้วยมาฟังทำสมาทานศีลก็เห็นด้วยไม่รู้เห็นด้วยระหว่างศีลกับฆ่าในอันไหนมากกว่ากัน เห็นเรื่องการโคดการโกงการช่อจนมั่งมีแล้วก็ไปเห็นด้วยเออรักษาศีลก็เห็นด้วยไม่รู้ตัวไหนจะมีกำลังกว่ากันออนะแม้กระทั่งทุกข้อเนี่ยนะไล่ไปจนถึงมิจฉาทิฐิเออมิจฉาทิฐิก็ไม่ผิดเ อ, อสัมมาทิฐิก็ดีนะก็เลยดีทั้งสองอย่างก็เลยไม่รู้สังสมอะไรไปแล้วก็กรรมบดนี่จะต้องศึกษาให้แน่นให้แฟนให้มั่นคงทีนี้ถ้าหากว่าได้เฉพาะกรรมบทไป ก็น่าเสียดายนะเพราะศาสนาได้เพียงกุศลกรรมบทไปก็น่าเสียดายสิ่งที่ควรจะได้เพิ่มกว่านั้นก็คือสังสมกุศลธรรมกลมุ่มโพธิปัจจะธรรมเอาไว้ให้มากๆนะทั้งสติประฐานทั้งสมมาประธานทั้งอิทธิบาททั้งอินทรีทั้งพระทั้งโพชงทั้งองค์มรักนะศึกษาปรับความเข้าใจสะสมอริยสัพเ์เหล่านี้เอาไว้ให้มากๆ เพราะผู้ที่มีบุญสั่งสมบุญเอาไว้มากเนี่ยนะโดยเฉพาะบุญในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าบุญที่เป็นโพธิปัจยธรรมบุญที่นำไปเพื่อการตรัสรู้บุญเหล่านั้นนั่นแหละที่จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดการตรัสรู้ต่อๆไปเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็ต้องพยายามรวบรวมเอาอริยทรัพย์คือหุศุกรรมบทสบิเป็นเบื้องต้นโพธิปัจยธรรมเป็นท่ามกลางอริยมรรคเป็น ที่สุดเนี่ยนะะถ้าเจริญตามคุณธรรมเหล่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะว่าคุณธรรมที่นำออกจากทุกข์ก็คือธรรมะดังที่กล่าวไปผู้ที่สั่งสมบุญไว้อย่างนี้เนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นก็มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าสูงมากถามว่าทำไมเพราะว่าจิตใจของเขาโอนไปหาพระพุทธเจ้าอยู่แล้วรอโอกาสที่จะพบคาสอนอยู่แล้วเมื่อได้พบคาสอนก็จะ ค้นคว้าพิจารณาไข่ครวนเลือกเฟ้นอย่างเต็มที่เนี่ยนะเพราะเป็นความปรารถนาะเป็นความต้องการเป็นเจตนารมอยู่แล้วก็เรียกว่าอัธยาศัยแต่ถ้าหากว่าไม่มีอัธยาศัยละถ้าไม่มีอัธยาศัยก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเลยแหละน่าสงสารขนาดไหนเมื่อเช้าพลิกสือพิมพ์เล่มเห็นแล้วสุดขนขนพองไย อ, องกล้าวนั่นะ ควักใตเดือนมาทานเนี่ยนะเป็นกรอบเลยภายในยี่สิบวินาทีเสร็ จ, รจพูดถึงอย่างคนลุกเลยเนี่ยมันน่ากลัวนะวัตตะเนี่ยก็ความในพุทธวงศ์ต่อเลยนะว่าผ่านมาหนึ่งอสงไข่เนี่ยนะจากสมัยของพระนารทะพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าพระชินเจ้าผู้ไม่กระเพื่อม เปรียบดังสาคอเคยเห็นทะเลปกติทะเลแล้วก็ไม่เอ่อล้นฝั่งไปเลยนะันใดพระองค์ก็ไม่กระเพื่อมฉันนั้นหรืออีกนายหนึ่งบอกว่าท้ามกลางแม่น้ำอ่าเขา้าท่ามกลางทะเลที่ลึก8 4ด0มโยชสี่พันโยช่วงแปดห่สี่มืนโยชั้นล่างจะกระเพื่อมด้วยปลาและเต่าเป็นต้นช่วงส0 0 0มื่นสี่มืนโยธทั้งบนเนี่ยนะก็จะ กับเพิ่มด้วยลมเป็นต้นแต่อายุามกลางตรงกลางตรงนั้นเนี่ยสงบนิ่งเรียกว่าพื้นที่ประมาณสี่พันโยชนิ่งสงบพระองค์ก็ฉะนั้นนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความสงบมีความมั่นคงตั้งมั่นฉะนั้นพระประทุมุตระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในกับใดกับนั้นชื่อว่ามันดกมันดกแปลว่ากับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์ สำหรับหมู่ชนที่สั่งสมกุศลไว้แล้วก็จะเกิดในกลับนั้นคนมีบุญมากนะเกิดในในยุคเกิดในกลับที่มีพระพุทธเจ้าตั้งสององค์ในการแสดงธรรมครั้งที่หนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระทำมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์แสนโกรเนี่ยนะเขาสั่งสมบุญไม่ดีแล้วจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก, ก็พร้อมที่จะตรัสรู้ธรรมต่อจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงหลังฝนคือธรรม อย่างสัตว์ทั้งหลายให้อบอิ่มอภิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์ประมาณ3 7 0 0 0ื่เก่าไปแล้วเนนะว่าสมัยที่มีเกษตรกรรมมากๆสิ่งที่ชาวเกษตรกรรมทั้งหลายรอรับก็คือน้ำฝนยาเมื่อฝนตกให้เขาดีใจถึงน้ำจะท่วมบ้างเขาก็ไม่เสียใจมากแต่เขามีความสุขมากที่ได้ข่าวว่าน้ำฝนจะหลั่งลงมาเพราะหมายถึงข้าวกล้าพืชไร่ทั้งหลายก็จะออก ออกดอกออกผลเพราะปลูกก็ง่ายพืชทันธันญาหารก็เจริญอุดมสมบูรณ์ะนะมันยามเมื่อเมฆคือฝนเมฆหลังฝนลงมาชาวประชาก็เจริญด้วยธรญมชาติทรัพย์ข้าวเปลือกจำนวนมากฉันใดเมื่อพระพุทธเจ้าหลังฝนคืออมะตะธรรมลงมาหมู่สัตว์ทั้งหลายก็จะได้พืชคือกุศลธรรมทั้งหลายสามารถที่จะยังผลมีโสดาปฏิผลให้เกิดขึ้นฉะนั้น พันเมื่อพระพุทธเจ้าหลังเมฆฝนคือการแสดงธรรมลงมาสัตว์ทั้งหลายก็เอิบอิ่มด้วยรสพระธรรมด้วยน้ําคือพระธรรมที่ราดรสเหมือนอย่างว่าจิตใจทั้งหลายก็เหมือนกับจิตใจหน้าเล้งเนี่ยนะถ้าหากว่าฝนไม่ตกะนะมันก็ฟุง้งอ่ะนะมีแต่ฝุ่นฟุง้งคละคลุ้งไปหมดแต่เมื่อยามที่ฝนตกแผ่นดินก็ชุ่มเชื้นฉันใดจิตใจที่แห้งแล้งด้วยนิวรณ์ทั้งหลายพอได้ยินได้ฟังพระธรรมเข้า จิตก็จะสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายเมื่อจิตที่สงบจากนิวรณ์ทั้งหลายนั่นแหละจึงจะผู้ควรรองรับคุณธรรมชั้นสูงต่อไปครั้งเมื่อพระมหาวีระเข้าเฝ้าพระเจ้าอานันทะเสด็จเข้าไปใกล้พระชนกทรงลั่นกลองอมตะเพรีแังว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธบิดาเนี่ยนะเมื่อทรงลั่นกลองอมตะเพรี กลองเป็นชื่อของเพรีเนี่ยเป็นชื่อของกลองคําว่ากลองอันนี้หมายถึงอริยมรรคเนี่ยนะกลองคืออริยมรรคอมะตะคือพระนิพพานท่านลั่นกลองคืออมะตะนิพภอริยมรรคเพื่อเปิดเผยพระนิพพานทรงหลังฝนคือธรรมาพิสมัยอภิสมัยครั้งที่สมก็ได้มีแก่สัตว์ห้าล้านนี่ยังนึกว่าไ อ, อ้ อ, อ, อ, อาศัยเหตุนี้มัง้งที่ศรีลังกาเนี่ยนะยังไม่ได้ไปถามเลย ว่าทำไมท่านจึงต้องตีกลองก่อนเปิดให้ชมพระบรมสารีริกธาตุเขาจะมีการลั่นกลองลั่นกลองเนี่ยนะก็มีเป่าปีตีกลองเนี่ยนะกว่าที่จะเปิดกุญแจเนี่ยนะเปิดให้เข้าไปนมำมศการพระเขี้ยวแก้วที่ประเทศศรีลังกานั้นมันก็บอกว่าต้องมีการลั่นกลองซะก่อนนะก็ถ้ากล่าวตามนั้นไปแล้วเนี่ย ถ้าเปรียบเนี่ยนะลั่นกลองก็คือเหมือนกับลั่นอริยมรรคเนี่ยนะให้ให้ให้เกิดความตื่นตัวเนี่ยนะไม่ใช่หลับไหลชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ตีกลองคืออริยมรรคเนี่ยนะเปิดอริยมรรคแสดงอริยมรรคแต่งตั้งอริยมรรคสอนอริยมรรคเพื่ออย่างลงสูง่อมะตะนิพพานเนี่ยนะเหมือนที่พระองค์บอกกับอุปการชีวกว่าพระองค์จะไปที่เมืองพารณสีไปลั่นกลองอมะตะเพรี ก็คือไปตีกลองคืออริยมรรคเปิดเผยพระนิพพานด้วยการประกาศพระธรรมจักรเพราธเมื่อมีการลั่นกลองเรียกว่าตีกลองแห่งพระนิพพานหลังฝนคือธรรมอภิสมัยการแทงตลอดอริยศาสตร์ก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณห้าล้านพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในเทศนาฉลาดในเทศนาทั้งโดยย่อโดยสังเขปหรือโดยปานกลางพระองค์โอวาทให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ ยังสัตว์ทั้งปวงให้ข้ามโอฆะสงสารยังหมู่สัตว์หรือยังหมูชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆะสงสารเนีย่ยนะให้ข้ามอะไรให้ข้ามกามโมฆะด้วยอนาคามีมักข้ามพโวฆะด้วยอรหัตตมักข้ามทีโ่โธฆะด้วยโสดาปฏิมักเนีย่ยนะข้ามอาวิโชฆะด้วยอรหัตตมักให้ข้ามพ้นจากขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปในอบายทุคติวินิบาศนรกด้วยโสดาปฏิมัก ให้ข้ามออกจากตามมาพบทั้งมวลด้วยอนาคาิมมัคให้ข้ามพ้นจากสงสารทุกประเภทด้วยอรหั ต, ตมัครนี่นะดังการให้อวาดการสั่งสอนของพระองค์ก็คือเพื่อความพ้นจากกองทุกนั่นเองรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พ, พนามว่าปทุมุตระนั้นมีสาวกสันนิบาตการประชุมสาวกอรหันมีอยู่3ามครั้ง ครั้งแรกนั้นสาวะสาวกแสนโกรธประชุมกันนั่นเป็นสาวกสันิบาตครั้งที่สองบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีผู้เสมอจำพรรษานาเวภาระบัรพศสาวกเก้าหมื่นโกรธก็ประชุมกันเป็นสาวกสันิบาตครั้งที่สองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปอีกผู้ออกจากคำออกจากคำนิคมและรัฐบวชเป็นสาวกแปดหมื่นโกรธประชุมกันนั่นเป็นสาวกสันิบาตครั้งที่สาม สมัยนั้นเราเป็นผู้ครองรัฐชื่อว่าเชดินได้ถวายพัตตาหารพร้อมทั้งผ้าแด่พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานนะเป็นเป็นผู้ครองรัฐเนี่ยนะเป็นเจ้าเมืองคือพระโพธิสัตว์ของเรานั้นเป็นเจ้าเมืองเมื่อเป็นเจ้าเมืองก็ทําบุญถวายานะเขอย่างถวายปัจจัยสี่ตรงนี้เน้นพิเศษสองอย่างคืออาหารและผ้าจีวรกับอาหารแต่จริงแล้วพระโพธิสัตว์นั้นไม่อิ่มด้วยการ ให้ทานท่านทำมากกว่านั้นอันนี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นประทับนะพระพุทธเจ้าประทุมุตตระพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางพระสงฆ์พยากรณ์พระโพธิสัตว์ของเราว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าในอีกแสนกับนับแต่กับนั้นเป็นต้นไปอีกแสนกับเนี่ยนะโอรอได้แล้วนะรอมาตั้งสี่สงัยแล้วนะมั้งหมายว่าไอ้คําว่ารอนี่ไม่ใช่รอเฉยๆนั่งรอ น, นอนรอยืนรอนะ แต่ทำบุญรอกว่านั้นยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งทําบุญเพิ่มขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะไอ้คำว่าทําบุญนี่ก็คือการสร้างบารมีสิทธิ์เนี่ยนะสร้างบารมีสิทธิจนกว่าไอ้การให้เนี่ยให้จนให้ได้ทุกอย่างม่างั้นเถอะจนให้แบบไม่เหลือจริงๆเลยถ้าหากว่าไม่ใช่นักให้คล้ายพระโพ ธ, ธิสัตว์มาเต็มที่เนี่ยนะไม่รู้จะให้เขาบรรลุสมัครผลได้หรือเปล่า มัน ian, pas, คล้ายๆกับว่าพอให้เขาบรรลุมรรคผลไปก็เร <Yes S 2> <eed. S 1> ิ่มเบื่อแล้วนะคือถ้าไม่สั่งสมบารมีในมีอัธยาศัยในการให้เช่นกับพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเหมือนกับสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในบรรดานักให้ทั้งหลายเหมือนกับคนให้ทานเนี่ยบางคนให้ครั้งสองครั้งก็เริ่มเบื่อแล้วเริ่มไม่มีความสุขแล้วหรือบางคนเนี่ยเห็นพอเขามีหน่อยหนึ่งเลิกให้เลยก็มีเรียกว่าตัดหรือบางคนนี่พอให้ไปหน่อยหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งทําท่าจะงอแงก็เลิกให้ก็มี พันรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการให้เนี่ยนะถ้าว่าไปรวมๆแล้วพร้อมที่จะตัด ก, การให้ได้ทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถามว่าแล้วพระโพ ธ, ธิสัตว์ถ้าท่านคิดอย่างนั้นเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะต้องให้จนกว่าไม่รู้จะให้อย่างไรเองแล้วถ้าให้เขาเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็จะให้หมดแหละใช่ไหมว่ายกให้ได้หมดเลยไม่มีเหลือพราฉนั้นให้แม้กระทั่งว่าให้มนุษย์สมบัติอย่างที่ว่าพระองค์สามารถให้มนุษย์สมบัติต่างๆได้ ให้สวรรค์สมบัติชั้นต่างๆได้ให้สุขในชาตินี้ได้ให้สุขในชาติหน้าได้และก็ให้สมบัติคือพระนิพพานได้ให้สมบัติคือพระนิพพานด้วยให้เขาดื่มอมตะให้ได้โสดาปฏิมักโสดาปฏิพนให้ได้สกอาทาคามิมักสกอาทาคามิพนให้ได้อนาคามิมักอนาคามิพนให้เขาได้อรหัตตมักอรหัตตผลและเมื่อเขาบรรลุคุณธรรมแล้วยังแต่งตั้งให้เขาเป็นเป็นไปโดยประการต่างๆนั้นพระองค์นั้น จึงเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยยินดีที่จะให้เพราะการที่จะให้อย่างนั้นได้จริงๆต้องฝึกให้ยินดีที่จะให้พร้อมที่จะให้สรนเสริญการให้ยกย่องการให้ตลดอดสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะใช้เวลาเนิ่นนานมากกว่าจะกว่าจะให้ได้แต่แบบไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะ